วันมาท้องก็นด้ จ, จะได้สักสี่สิบนาทีนะมั้งไม่ว่า <S <S มันเหนื่อยก็พูดไปพูดไปก็เหนื่อยเัาเป็นเองนะชาติคัน <S <S วันนี้คนมาก็มากเขายังเห็นนะเต็มหมดเลยอย่างนี้อยู่ว่าไงเ อ, อท้องนาที่เต็มหมดนะเช้านี้พอดีฝนไม่ตกซะด้วยแล้ว โอยอยู่ได้ตุกแเหงทุกหงอเต็มไปหมดเลยผมไม่เทศอะไรเมื่อเช้านี่เพราะเทศกับเทศมาทุกวันทุกวันแล้วเมื่อเช้านี่กับพูดเกี่ยวกับเรื่องอาการบริจาคทานเพราะฉะนั้นเนี่ยกาพูดกับพูดหยอกพูดเล่นไปบ้างอะไรบ้างไปอย่างนั้นนะการเทศนะอาการไม่ได้เทศอย่าเมื่อเช้านี่เพระเทศมาทุกวันทุกวันเมื่อเช้าน้่ไม่ใช่การเวลาที่จะเทศเพราะคนนั่นเข้าวันนี้ออกหลังไหลเข้าด้วยการบริจาคทานไทยจา มีเวลาเวลาจิตใจมาสนใจกับฟังองัดฟังทำอถ้าสนใจก็ต้องนิ่งเนี่ยอันนี้เขาไหวตัวมาตลอดเวลาข้าเขามาบริจากนั้นนี่นั้นไหลกันแล้วก็ประเทศหาอะไรถึงไม่ไดะเทศเมื่อเช้ชาเนี่ยเมื่อบางคืนคือบางคืนสามี่สี่นี่ก็ผมก็ตั้งเลยว่าก็จะไไปบางแผงสงสาร วัดบ้านแขงวัดบ้านแข ง, งอยู่เป็นวัดคือเพราะแมอวาการใหม่ทำอย่างมากเราเคยอยู่สะกอกตั้งแต่สมัยบ้านแขงอยู่โอ้ยห่างนะจากวัดยืไปถึงตลาดตั้งสิโลแล้วจากโน้นมามีสะดงนั่นออกไปะตะวันตกวัดอะไรรอบแล้วนั้นมีสะดงทั้งหมดนะอืเพราะฉะนั้นท่านที่ได้มาอยู่ในดงนั้นว่างั้นเถ อ, อะเพรานั้นจากไปแล้วก็เลยเป็นวัดขึ้นมา เรื่องแก่งเราผมยังไปตดสายห้ตามพ่อแม่ผมันมารอยู่สบายไม่ต้องไปในที่นั้นนผมก็ตีสอยให้ตามเมื่อเพราะนั้นบ้านแพงจึงได้รับสงเคราะห์จากเรามากอยู่นะไม่ใช่น้อยนะอันนี้ทำให้สงสารอยู่ถาม่ากก็เขาเวลานี่นิยมเป็นกระสีเราก็แยกเป็นกระสีให้เสียเวลาไปถาม เป็นไงวันนี้มีผู้มาทอดกฐินไม่มีคนมาจับกรองมาบอกกล่าวแล้วยังไม่มีเ่ะแล้วข้างบนแล้ววัดทำยาเราไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเวลากระถิ่นแล้วด้วยเราจะหวังที่ไหนว่นาใครจะมาทอดเราสงสารเราก็เลยตกลงให้สักเวลานั้นเลยเอา้าวถ้างั้นผมจะมาทอดให้เขาบอกทั้งสองวัดเลยนะวัดบ้านแพงแล้วกับวัด เพราะว่าทั้งสองวัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นอย่เดียวกันข้าวหม้อแกงอันเดียวกันคือพวกคือเขาทําอาหารมานี่เขาก็แยกเข้ามาวัดบ้านแพงก็แยกไปวัดถ้ำยาอยู่นั่นจึงว่าแกงหม้อเดียวกันทั้งสองวัดเนี่ยเวลาไปทอดกระชี้ผมทอดข้าวเชียวก็เหมือนกันผมก็ให้ทั้งสองวัดเลยวัดนั้นก็ให้วันนี้ก็ให้นี่ก็แบบเดียวกันก็บอกนั้น การข้าวกระสินก็จะไปวัดเดียวให้ทางนูนลงมารับไ ป, ไปเลยทางนั้นืนี่ก็ขู่ไว้ทางนั้นเลยว่ามาปีนี้ผมจะไม่ยังมีอะไรให้มา่าเหมือนตะก่อนนะผมว่าผมตรงเต็มที่นะว่าแต่ที่นี้ผมต้งสารก็กมาให้งั้นแล้วทางทั้งอยู่ทางนั้นก็ไม่พูดว่าอะไรเราไปขูฟ่ฟ้อฟ้อไว้ก่อนปีนี้จะไม่ให้อะไรมากนักนะเพราะผมตรงเต็มที่แล้วว่า <บ> <PTSD> มีแต่ความเมตตาจึงมาคอดให้เฉยๆว่างนีก็งงว่างว่างคือสามวันวันเสาร์เหรออืมอามวันเสาร์คื่ถึงวันเสาร์อยู่น้องกล่าว่าจะไปท้อคิว่าจังจังกะเชื่องไปแล้วถึงกลับไปไอ้ส่วนพวกที่จะไปกวอนก็ไเรื่องเขาเองอืมเรากลว่าถึงเวลาความสำคัเราถึงกับไปว่างนีะ ผ้าขาวเราอันน่ะก็จะเกลี่ยผ้าไว้เองนะผ้าขาวให้สงหวนไว้บ้างนะชื่อว่าอันได้วัดละสืบไม้ก็อยดีนะผ้าขาวคือเป็นเป็นภาพหรือเป็นอะไรนะให้ได้ประมาณสืบไม้ก็อยู่วัดละสืบไม้รวมแล้วถ้ามันมีมากนะอันได้วัดละสืบไม้ก็ดีถ้ามีน้อยก็่นั้นเราก็ลดลงตามส่วน แลผ้าไก่าก็กับไปพอประมาณเขาเสมอกันเหมือกนกันเนี่ยผ้าไก่อากาศไปนี่คือเป็นกะว่าเป็นของตําเป็นนะแน่นอนคือคือผ้าผ้าไก่ผ้าไามา้นี่อันหนึ่งส่วนจักตรงไหนก็ถามแล้ ว, วมีอยู่เพราะขาวทาาาวาี่แล้วก็จะให้จักรข้าวนิ้วขาวก็จักรมีอยู่มีอยู่อะก็เลยไม่ให้แล้วก็จะให้แจก อันน mm. of ี้อ่ะไปพวกแล้วกล่าวว่าเจ้าเข้าสารไปอีกอยู่เพราะทางงูกระจากรงพวกฝั่งทางงงฝั euh ่งรอาเอากระพวกงนีเขาเป็นคนเดียวกันนะเขามาอาศัยจริงจริงยอยเอาวัดบางแพลงนี้เปเหมือนพ่อแม่ของฝั่งนั้นน่ะเขามาหาอยู่เสมอทันนี้ก็จะแบ่งแบ่งได้แจกได้แจกได้แบ่งไปเสมอนี่จึงเืียว่าเจ้าเข้าสารไปื่วย ข้าวสารก็มาเจออภัยหนาว่าข้าวสารก็ว่าเจ้าข้าวเหนียวไปข้าวเจ้าจำไม่เอามากหากเอาไปก็จำไม่เลยสิบถุงถุงแล้วสิบสองตลวนะส่วนข้าวเหนียวจะเอามาของนั้นผงกาว่าอาจจะเป็นร้อยเงี้ยข้าวเหนียวสิบสองตัวนะก็คงวันจำาปร้อยเราชิวไปก็ แล้วก็แบ่งทั้งโน้ก็บอกไว้แล้วบอกทางบ้านแพงไว้แล้วว่าข้างบนนั้นไม่เห็นมีจำเป็นแล้วก็เข้าสายก็แฉแด่นีว่าล้วอาจจะไม่ให้มากระวังจะให้ก็ให้เพียงล็กน้อยแล้วจะให้ทางบ้านแพงมากกว่าเพราะทางนี้มีความดจำเป็นกับอะมันกว้างขวางต่างกันอยู่มากทางโน้นเขาก็มาอาใช้เรื่อยเพื่อจะแกะทางฝั่งโนบ้างนั่นก็คงเหมือนกันกรำเหมือนกัน เราไม่ถือว่าเป็นไงเป็นไหนะมือเราลงคลื่นเค้าก็คือว่าคนเหมือนกันก็พอเนื่ออยากใจเนี่ยว่าใจเราเป็นยงั้นนะไอ้ชื่อเนั่นชื่อนี่ประเทศนี่มือก็ว่าเปอย่างนั้นกามเฉดการแรงของสมมติคนเราอยู่ร่วมกันต้องมือฝักมือฝ่ายมือขั้นมือจอมเนี่ยก็เป็นเร่องหนึ่งจ้ะอยากธรรมชาติอย่างนี้แล้วคือคนวางอันพอตามเข้ากันหมดไงไม่เวิร์ยึดอย่างก็กลาง ยังกล่าวว่าข้าวเนี่ชื่อว่าคงไม่จําก็นคำบรรทุข้าถุงถุ ง, ถงละชุดสองเกี่ก็คงจะไม่จําป็นร้่าถุงอ่ะอ่อบแบ่งสองภานั้นก็ครั้งผูธรรยาก็จะไม่ให้มากให้เพียงเล็ก น, น, น้นอยเพื่อปัจจัยก็อ่คงก็ไม่มากพขคุก ป, ปือให้เป็นร่างอาว่าเลือเป็ น, นล่างนย่งเง้าใจไม่อ่ะเราให้ทั้งสองวันเลืกเป็นรางเยอะๆแล้ว อันน้นทั้งผู้มาบริจาคมากน้อยเท่าไรเราเขามาบริจาคเราเรายกให้หมดเลยแล้วแบ่งภาคให้เขามาบริจาคมากน้อยส่วนนอกจากส่วนของเราไปเราก็แบ่งภาคให้แต่ทางข้างบนนั้นให้น้อยกว่าทางนี้หน่อยเพราะทางนี้เป็นผู้รับภาระทุกอย่างก็รับแขกคนดูช่วยแบ่งแพงทั้งหมดทางนูถึงเวลาก็อลงมารับอุ่ยสรยเพราะทางกลางให้ อย่างนี้ยิ่งมียิ่งหองกว่าการบังเป็นธรรมดาผมชื่อแรงนั้นหัขางี่ขาเรืนะอ่องเกิงเอาจนผมไม่จนผมบอกจริงแต่หัวใจมันไม่จนจริงหมดแก้มันยังอยากให้อีกตลอดจะว่าไงมันเป็นอย่างไรหัวใจอย่างนี้เนะมันไม่มีอะไรกับโรคว่างั้นแต่ไม่ไม่มันไม่มีอะไรเป็นฆ่าศัตรูต่อเราแล้วไม่มีคือมันเป็นของมันอยู่ธรรมาชาติของมันใครจะว่าอะไรมันก็ไม่เคยสนใจอเอาไป เป็น่ำเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลามืแอความเมตตาก็คือทำไปที่ไหนมีแต่เมตกาเมตกาทั้งนั้นอ่ะอของมีคำ ว, ว่าชื่อแล้วถอนเขามาทองไม่เคยมืออ่ะเราเ ข, ขาขายอะไรคือเงินเอาของนี่เป็นจะไม่ออม ว, มว่าเอาหก บ, บาทหรือ40 บ, บาทใบลร้อยให้เลยไม่ถอนเอาหมด ะบอกงั้นนะต้องเป็นงั้นห้าขึบาทหกขบาทจะต้องทอนชื่อชื่ห้าขึ้นไ ม, ม่ให้เลยก็มีอเมื่อการงั้นมเมื่อการทาไปยังไงมันเรื่องไปหมดเนี่ยคือมันไม่มีอะไรชื่อทํางหัวใจอย่เงยี้คือไม่มีอะไรว่าเป็นภัยต่อเราเพราะเรามันเป็นถ้าว่าป็นคุนก็คุ้นร่างร่าแล้วกับภัยที่มาจากไหนภัยก็เป็นภครมันก็เป็นภัยของมันต่างหากอันนี้บรรคุนร่างร่างแล้ ว, ลวอะไรจะมาแตะได้ แต่ให้คุณอย่างนี้บอกคั้งไปไมาหงุดนะแต่ส่วนที่เบรรพย์มันบอกขัง้งมันขาดมันฝ่นบปได้เชิงธรรมชาติมันไม่หงุดหงุด응เป็นแบบธรรมชาติของติดอยู่สัง่งาอะไรฟัง응กันนะอืมผมไม่ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหัวทุกสิออ่งทุกอาพูดงี้ผมไม่เคยพูดในเรื่องเจียวูเจี ย, จยจาผมไม่เคยพูดก็คือเพราะพูดมาแล้วแม่ไม่เกิดประโยชน์นอกจากพูดก็จำเป็นทางนั้นเองอ응แล้วเพราะแม่กูจ้างมั่งท่าง พูดให้ฟังแลนะข้างก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะมันพูดข้างเฉพาะตั้งยาลูกถึอยู่หาสององสาวองฟังแางเชทกใจสั่งการสูงข่านไม่เคยพูดเนื้อรองเท่ตั้งหลายไม่เคยพูดนะที่เอาย้ามาพูดอย่านี้มือจากเฉพาะเฉพาะมนะก็ข้อกับลูกกาบข้างก็มืออะไรก็พูดกันไปข่านก็พูดแบบพ่อกับลูกนี่ล้วก็เอาของตั้งมามาพูดอย่างชุวันอือย่างชุวันชื่ว่า อย่างคือฟ้าย็นท่ำ ม, มันท้อ่างั้นเลยผมก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติอย่างนี้ประสานกันตลอดไปหมดกระเทนไปหมดอืมสามแ ย, ยกยุคกศาควั า, า่างั้นเลยนะภูมิขอเราเท่าหนูมันกระเทือนไปอย่า ง, งานั้นแช่ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยคาเคยชีกเงียบแต่แลมันเป็นมันมันเหมือนระเบิดนะเมื่อไกลล ง, งนเงียบคือระเบิดอ่าก็ระเบิดก็คือระเบิดที่พังอนะไรอย่างไม่ใช่อะไรนะ มันจ้าขึ้นมาเนี่ยไม่เคยรู้เคเห็นก็มันเห็นอยู่นี่ใช่ไหมไม่เคยรู้ไม่เคยชื่อเคยคาดแล้วจะมันมาเจอกันอย่างตังตังตังตังอยแล้วจะสงสัยไปไหนออืนี่สินี่ทำผู้เจ้าวัดสันติโกรู้อย่างไรแล้วจะไปคูณถามผู้เจ้าก็มันเดี่ยวเดี่ยวเดียวกันหมดเนี่ยนี่แสันติโกพูสวัดจะรู้อย่างไรอย่าง้จึงไม่จําเป็นต้องคุณถามผู้เจ้าถ้ายังไปคูณถามผู้เจ้าอยู่สันติโกที่สมบูรณเจ้าประกาศไว้ก็ไม่มีความหมายเลยสิมีความหมายเต็มๆเลยสันติโก พอมันจ้าขึ้นมาเราวก็ฟังแต่ว่ามันเป็นอะไรผมไม่ได้วัดรอยนะคือมันผึ่งขึ้นมาเองนีนะมันไม่ใช่ธรรมดานะก็เราไม่เคยค่ายเคยชีว์อยู่ๆพอเราเราพูดเอาฮะ ม, ม, มันเหมือนว่าระเบิดนะมันเหมือนก็พึ่งของพระทนี่นั่นแหละพังอวิชาขาดจั่วบ้านลงไปนะเหมือนว่าปึ้งขึ้นมาเราจะจะเป็นพึ่งนี้ก็ไม่ใช่จะไม่ทราบจะพูดสมมุติว่าจะไงคือมันขางขึ้นมาเลย พ, พ่าขางขึ้นมานี่ มันจ้าขึ้นพร้อมกันไปหมดเลยอะไรอะไรมีอยู่ไงมันมีมาลงเดิมเราไม่เห็นสาตาบอดเพราะมันเจ้าวมันเห็นไม่หมดนี่ยร่องอะไรเรโถโถขึ้นเลยมันถึงขนาดที่ว่าเฮ้อพบกพี่เจ้าตัดสู้ตัดสู้อย่างนี้เลยหรือหรือทางฟังที่มันไปบางอาจอะไรไปไปวัดรอยท่านมันไม่ระวังอาจนะมันเป็นด้วยขจากหัวใจมันมันพูดภาษาแล้วเรียกว่ามันท่วมท้นมันตื่นเต้หรือมันอะไรกระเทือน เป็นขึ้นมาเองนั่นนะ่ mm, people, ะเฮ้ยบุญเจ้าตะซุ่ยตะซุ่อย่างนี้เหรออย่างนี้เลยหรือซ้ากันอยู่นั่นนั่นจะไปว่าวันลอยท่านใดก็ไหนมันไม่มีเจตนาร้าไปเลยมันเป็นขึ้นป <ir bueno. S 1> ระจากเต้าของที่ประจักษ์ในตัวเองเนี่ยเฮ้ยบุญเจ้ตะซู่ยู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอขึ้นมานั่นนี่อันดับหนึ่งอันดับสองเฮ้ยทาแท้ไป็อย่างนี้เหลอเป็นอย่างที่เส็นอย่างนี้น่ะนั่นทำแท้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลอซ้ําอยู่นั่นนะมันอุทานในหัวใจ เราพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นก็เรื่อว่าธาตุขันธ์มันตื่นเต้นธรรมชาตินั้นไม่มีแหละมีเรื่องธาตุขันธ์มันตื่นเต้นเพรามันเมื่อเวลานั้นธรรมชาตินั้นกับธาตุขันธ์มันเกี่ยวโยงกันอยู่มันตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วที่พระสงฆ์สงแคบไปอย่างนี้เหรือก็คือธรรมชาตินี่เองเออพระสงฆ์แคบไปอย่างนี้เลยหรือจากนั้นกับบูมวอนปุ๊บทันือเลยอพระพุทธเจ้าพระสรมพระสมมาเป็นอันหนึ่งอัเดียวก็นได้ยังไงก็มันเป็นแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะ มันมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไงพระพุทธเจ้าพระธรรมสูตรเราไม่เคยชิดว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้นะแล้วก็ว่าพุทโธโสสมโมสังโฆก็ว่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยกันไม่เคยชิดเนี่ยเวลามันผางขึ้นมามันเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วกรเชียบนะน้ําจะไหลมาจากสายไหลคลองไหนก็ตามยิงฟ้าอากาศตกมลงมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวน้ำมหาสมุทรเท่านั้นแต่ว่าน้ำมีไหลมาจากคของนั้นของนี้อีกไม่ได้เลย เราเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรจักรมาแต่ตรงไหนเป็นมหาสมุทรนี่เขามืนกันมีมหาวิมุนมหาลิพานหรือธรรมชาตินะเราพูดให้เต็มเหนียวก็คือว่าธรรมชาตินะรู้สึกมันสนิทมากนะทั้งสามอย่างเป็นไว้พอใช้แทนกันได้แต่เราลงสนิทเต็มหัวใจจริงๆมันเป็นธรรมชาติบางอันเลยนะอืมเนี่ยคือว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็เหมือนกับญาตมหาสมุทรนะธรรมชาติพอจ้าเขามีว่า สงสัยพระเจ้า อ, องค์ไหนบ้างวะสงสัยหาอะไร น, นั่นคือเจ้าเขาแบป้าผอยู่เป็นมหาสมุจรัจเดียวสงสัยกันหาอะไรเนี้ยมันเป็นงั้นนะไมั่ต้องถามใครเลยโอ้โหคือเงินเชิงเลยอืทำแพทย์เป็นอย่างนี้เลยเงี่ยพระพุทธเจ้าพระสระมุทรมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป็นธรรมชาติเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันได้ยังไงนั่นโอ้โหมันขี้ขี้ไดกจริงเงี้ยเราเคยชี้เคยคาดไม่ใช่ไหนไม่เคยชี้เคยคาดนะ เวลาผามขึ้นมามันรูปมาจักเรื่หัวใจแล้วไ ม, ม่คิดไม่คายมันก็ประจกากตรงนี้แล้วมันจะพูดไปได้อ่าชาติจะพูดนะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะมันประจักษ์เต็มหัวใจแล้วหัวใจเป็นนักรู่มันรูปอย่างต่างๆแล้วจะไปสงสัยที่ไหนถามไข่ถามพระเจ้าจหาอะไรว่ามานเหรอฮึ่มชื่อเดี๋ยวนี้เราก็เราลึกถึงพ่อแม่อากุศลมานที่เวลาท่านอยู่น้องผือตอนนั้นเราก็กําลัง กำลังเก็บกัดแทะกระดูกกับเนื้ออะไรแทะกันไปอยู่งั้นน่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่น้องขือนท่านพูดถึงทาขั้นเด็ท่านเปี่ยงเปี่ยงเลยที่แรกท่านก็พูดมีพระไปเล่าท่านฟังมันกระเทือนใจท่านอย่างหนักค่ะท่านว่าอธิของหลวงปู่เสาก็เป็นพระธาตุแล้วงั้นนะเพราะจากนั้นเขาก็แจงเรื่องอธิของท่านเป็นพระธาตุที่ แล้วเขาเอาถิ่งท่านที่ยังไม่เป็นพระธาตุนี่ยไปตําไปป่นผสมเป็นเป็นผงขึ้นมาแล้วทําเป็นรูปเลก็กเล็น้อยแจกจ่ายขายกันไปกระเถึบเนี่ยตอนที่ว่าขายกันไปนี่นะเฮ้ขึ้นเลยทันทีเลยนั่นแหะกระเถิณทำท่านแล้วนานเพราะว่าไปขายอขายกันหน่อนั่นแหะตรงนั้นแหะท่านก็ขางขึ้นมาเลยเฮ้ยจากนั้นก็ชี้เลยนี่หือ เออนี่ประเภทหมาสันวางันนะหรือพวกนี้จะเป็นหมา ห, หรือจะเป็นผ้าเนี่ยชี้ไปอย่างงี้นะเออเออถ้าเป็นถ้าเป็นหมาก็หาแทะกระดูกท่านกินอย่างงี้สิถ้าเป็นพระก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมหลัวินัยเพื่ อ, อทํามันเริ่มเลิอเปิดอั น, อนประเสริฐเลิอดโลนั่นสินี่จะปฏิบัติแบบไหนพวกนี้นะ่ะพวกนี้นะ่ะขึ้นขางผางเลยนะนั่นะมันโดนใจโดนทำท่านอย่างแรงนับขึงออกเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะจากนั้นก็ใช้เด็ดเด็ดเด็ไปพอมาถึงขั้น อันนี้แล้วพูดแล้วสาธุท่านยกมือขึ้นเลยนะคนนั่งดูอยู่เนี่ยพูดแล้วสาธุท่านเลยแม่พระพุทธเจ้าประทับอย่ขา้านก็ไม่ถูนถามท่านว่างนี่เลยนะถามท่านหาอะไรของอย่เดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวถามท่านหาอะไรเนี่ยผมไม่ลืมนะผมก็ฟังแบบผมนั่นแหละทั้งกัดทั้งแทะกระดูกอยู่งั้นอ่ะตอนนั้นบางเวลามันมาเจอเขาหนีซี่ถึงโถทันทีเลยนะั่นเห็นไหมเราก็ไม่ได้วัดลอยนะ่นมันเป็นอย่างนี้ยอมท่านปุ่งท่านทีเลย อ๋ออย่างนี้เองที่ท่านอยาจะถามท่านหาอะไรก็อย่างนี้เอง น, นั่นอย่างนั้นนะอืมมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะสงสัยไปที่ไหนใครเชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่สนใจหลักความจริงเต็มหัวใจเราอยู่แล้วไปเชื่อใครแล้วมปฏิบัติเพื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อทำทำกับหัวใจเบอรเดียวก็แล้วลมันก็เป็นอย่างนี้จึงไม่สนใจว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่ไม่สนใจยิ่งกว่าหลักความจริง เพราะเวลาพูดจึงไม่มีคําว่าสุรุกทานสุรุกทานลายสามในสุรุกทานนี่เป็นถังขยะทั้งนั้นนี่วะคําคว่าถังขยะนี่เป็นส่วนรวมนะผมได้แยกให้ให้ฟังบ้างแล้วนะอืมคําว่าถังขยะคือวัตถจักทั้งหมดนี่เป็นถังขยะว่างั้นเลยมันนิพพานนั่นไม่ใช่ถังขยะหรือธรรมชาตินั่นนอกพ้นไปหมดแล้ว เหล่านี้ในวัดแตจ่จังนี้ทั้งหมดเป็นถังขยะทั้งนั้นนั่นนะที่สังขยะนี้แยกประเภทนะถังขยะมีหลายประเภทนี่ยังก็ยกออกมาว่าอุคติตันยูวิปบกิตตันยูเนยยะปะทะปะละมะัสนี่ยถังขยะขยะประเภทที่อุคติตันยูนี่ประเภทเยี่ยมแล้วเนี่ยถ้าเป็นสัตว์อ่าก็คือคนเราก็คือมีอุปณิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้วหาทางออกตลอเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าที่ทั้งห้านี่ ประเภทถัทงขยะประเภทนี้คาว่าถัางขยะคือท่านยังมีกิเลสอยู่ถึงท่านจะมีนิสัยเต็มภูมิก็ตามแต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเรียกว่าถัางขยะแต่เป็นถังขยะประเภทอุคติกันทอยู่เข้าใจไหมละ่ะที่นี่วิวิจีกันอยู่ก็ลอดเล็ดลอดกันลงมานิดหนึ่งนี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกันเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าถัางขยะได้ทางนั้นถ้าลงกิเลสยังแทรกอยู่นิดนึงเรียกว่าถังขยะได้หมดเป็นแต่ถังขยะที่ได้หยาบและเหยาบต่างกันเท่านั้นนั่นนี่พอถึงท่า ขั้นญาณนี่ก็บกึ่งกลางทั้งจะลงนรกทั้งจะไปสวรรค์นั่นเนี่ยเนยญประเนยญาณเนี่ยพอลากพอเข็นกันได้พออ่อน ม, มอนันยิ่งๆมก็ลากล ง, งนรกได้ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้นี่จึงว่าพอแนะนําสั่งสอนได้หลายครั้งหลาหนพอเป็นมาได้เนี่ยเป็นถังขญะประเภทที่สามประเภทที่สี่ประทประมะนี่หมดคุณค่าโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรมีความหมายเลยมีสี่ประเภทรวมแล้วเรียกว่าถังขญะด้วยกัน เพราะมีเกรียดมีสมมุติอยู่ในภายในนั้นต้องเรียกว่าถังขยะด้วยกันหมดถึงจะเกียดขนาดไหนเกลีละเอียดก็ยังมีเรียกเปนถัาางขยะพอพ้นปุ๊บาาาาาจากนี้แล้วหมดคําว่าถังขยะไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกทุกวงไม่มีเลยนี่จึงเรียกว่าหมดปัญหาเนื้อถังขยะหมดแล้วเนี่ยให้พากันเข้าใจเสียว่าคําว่าถังขยะไม่ใช่ว่าดูถูกเหยียดหยามทาั้งโลกสมมูลนะผููตามประเภทของสมมุติ ที่มีกิเลสแทรกสิงอยู่หนักเบาว่างน้อยเพียงไรจะเป็นทั้งอัจฉริยะตามขั้นของกิเลสที่มีอยู่มีอยู่นั่นแหละให้พากันจำมาว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แยกแยกเป็นบางเป็นบางการบางเวลาคำวัดถังอยะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเทศนาวิการพูดจริงๆผมไม่เคยมีคำมัดสโุคฐานกับสิ่งใดใน3ามเด่นสตุคฐานนี้การเทศนาวิการนี่วางลงไปตามขั้นตามภูมิของสถ า, านที่บุคคลและกาลเทศะเท่านั้นนี่วางให้สมมตินะ ถ้าวางให้ตามธรรมแล้วจับขึงเลยทันทีนะนี่พูดไปตามสมมติขั้นตอนขั้นใดสฐานที่บุคคลการเวลาอะไรที่จะเหมาะสมก็วางไปตามระยะเช่นเทศแจงหมอห้หมอใหญ่แกงหม้อใหญ่เราจะเทศแบบแกงหม้อเล็กไม่ได้นะแกงหมอห้อเขียวไม่ได้ต้องเทศแกงหม้อใหญ่ตีนู้นไปตีนี่ไปสเ ป, ปสปะไปอย่างนั้นเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ให้ในเขาอเคเขาใจตามขั้นแต่ปูมงของทุกคนที่มาเนี่ย ผู้ที่ทวนจะได้ทำมากขั้นใดเป็นประโยชน์ก็ให้ได้ผู้ที่ได้ขั้นใดก็ให้ได้ไปตามขั้นตําภูมิเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ที่แกงหม้อเล็กก็นี่ก็เรียกว่าย่นเข้าไปแล้วย่นเข้าไปแกงหม้อจิ๋วยิ่งพุ่งพุ่งแกงไม่เลีกหม้อจิ๋วมีการเทศนาว่าการในนี้ผมไม่ใช้แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนะมีแต่ใช้แกงหม้อใหญ่เป็นส่วนมากนั่นแนหะทั้งทั้งที่ทำมานี่มันผึ่งผึ่งมันเวลาจอแล้วมองดูผู้ที่จะรับทำประเภทนี้มันมีน้อยมากมันก็ไม่ค่อยออก เพราะการเทศเนี่ยมันจะวัดของมันเองสาธุพูดไม่ได้นั่นนะมันเหมือนเรดาร์มันจับตลอดนี่พอนั่งเขาปั๊บสังไรสังคมมองดูปั๊บมันเข้าใจแล้วนั่นควรจะเทศหนักเบามังน้อยเพียงไรมันบอกก่อนแล้วไม่ใช่บอกมาเป็นคำคำนะหาเป็นความรู้ในหัวใจเจ้าของเองโดยโดยพูดให้ใครฟังไม่ได้นะพอนั่งปั๊บบริมองกําหนดปั๊บบริบันท์กบวิ่งถ้าพูดภาษาโลกทุกวันนี้เขาเรียกว่าเรดาร์มันจะจับของมันเรียบร้อยรู้โดยภายในเจ้าของเองนะ่น นี่ควรจะเทศหนักเบาแมงน้อยเพียงไรมันจะเป็นทีนี้จะเทศขนาดไห น, นพอนั่งปั๊บนี่มันบอกแล้วในนี้เข้าใจเดีวจะเทศขนาดไหนในไม่ต้องบอกมันผึ่งของมันออกถ้าจอเทศแจกแป้งมอเล็กเนี่ยก็พุ่งเลยยิ่งแกนเทศแจงมอเล็ก่างหมอขิวเนี่ยยิ่งเทศสะดวกว่พาพอเอาฟาดไปตามหลักความจริงแนวที่เดียวเลยพุ่งพุ่งเลยดีไม่ดีฟังไม่ทันจะว่าไงไรอันเทศแจงมอใหญ่นี่ก็สะเปะสะปะป้าปอย่างนั้นก็ว่าอันนี้แจงมอใหญ่นี่ว่า ถังขยะใหญ่ถังขยะใหญ่ช้างขยะเลียกช้างขยะกิ๋วเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นนะ <c oughs> นี่พูดจริงๆมันหมดจริงๆนะกับโลกสมมตินี้ไม่ไม่มีอะไรติดหัวใจเลยไม่มีอะไรมาผ่านได้เลยว่างนันแต่คําแต่ว่าโลกสมมติถังขยะนี่ไม่มีถังขยะประเภทใดเข้ามาผ่านเลยมีธรรมชาตินั้นล้นล้ น, ล น, ลนแล้วมันจะไปไปกล้าไปกลัวกับอะไรอืมเพราะฉะนั้นคําว่ากล้าจะไม่มีคำว่ากลัวจึงไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มี คำว่าแพ้ชนะไม่มีทำเหนือหมดแล้วนั่นเพราะงานการเทศสอนโลกนี่ผมจะเทศไปอะไรไปก็ตามผมเทศตามอัดตามธรรมดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วปเป็นไปตามบัดตามธรรมไม่เคยถือผู้ใดเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่มีอย่างนั้นปเป็นไปตามธรรมล้นล้วนลวน้ลนล้วนไปเลยทีเดียวใครจะเอากเกาไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ก็มีเท่านั้นเราไม่มีได้มีเสียกับผู้ใดสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนมีเท่านั้นเองอือโห่ฝุดไปวันเหน่อยเลยวะเอาละพอนะโทษโทษโทษ อย่างนี้เราว่าจะไม่พูดมากมันกลับไปของมันเองนี่แหละนาฬิกาเท่าไหรแล้วเนี่ยโธออก็อ๋อก็ได้ช่วโมงกว่านันล่ะเทศสว่านี่รวมแล้วได้ช่วมงกว่าเท่านั่ะไม่มากอ่ะเนี่ยเห็นไหมทัดขันพอพูดไปพูดไปมันจะอ่อนของมันลงเท่ที่ทำมากนี่ไม่มีไวัยุ่งคุ่งตลอดแต่ทัดขันพอกเทสไปเทสไปมันจะเตือนนะเตือนเตือนเทสไปเตือนไปได้ขนาดไหนขนาดไหนก็ตามพ่อที่เตือนจะเหยียบเบรกแล้วค่อยลดลงหยู่ มันเตือนเดี๋ยวนี้เอาคาดขันเป็นประบาณนะไม่ได้เอาทําเป็นบำบัดนะอเอาละพอนะออเหน่อยนี่อะไรบ้างฉันนั่งไปก่อนว่าไงท่านปัญญาอันนี้ควาเทศวริเบงไงถังขยะเขาจะอีเหล่าถังขยะจำไว้จำขยะที่ทิ้งของอะไรอทิ <c oughs> ้งของอาฉันเลยแมวอันนี้แมวอันนี้ผลขันเข้าไปแล้วมันมักจะ แสบคอแล้วจะทำให้อผมเลยไม่ค่อยเอานั่นเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> มันมักแค่แสบแสบคอยัง <Yeah. S 1> ไม่เอาอออเน่ออน่มีอะไรอยู่ไหมีดูไม่มีมีอะไรัหมมีไหมทุลัางเราเรา <Yeah. S 1> หมดแล้วนะเออหมดแล้วก็เป็นหมดออ น, นี้ถอยไปจ้ะเริ่ไปอันนี้เลิกไปโอ๊ยเหนื่อยมากนะผมเมื่อวานนี่ฟังที่ผมมาจดตั้งแตอยู่วันนี้เลยนะฟังที่นะผมก็ไม่เคยเป็นเมื่อคืนเป็นเห็นอาจารย์นี่ละทัดขันคือธรรมดาผมจะทำเป็นปกติอกของผมพอกลงางค่ำเมื่อคืนนี้ผมจะลงเดินยองโกงเปลี่ยนยาบทสบายสบายเป็นประจำคืนหนึ่งข้างหนึ่งบ้างสองข้างบ้างคืนหนึ่งนะยิ่งทุกวันนี้เป็นไปตามขันล้วนๆนะถ้าเวลาเรา เหนื่อยไม่แล้วพอมันขัดนั้นปวดนี่นอนไม่หลับนะนี่แหละมันบังคับเหานั้นเนี่ยเวลาไหนก็ตามต้องลงออกลงไปเดินยกรมตีหนึ่งก็ตามตีสองก็ตามตีสามก็ตามมันบังคับนี่นอนไม่ได้แล้วต้องไปเดินพอเดินมันค่อยอ่อนลงอ่อนพอมันอ่อนลงไปแล้วเราจะมานอนก็ได้ภาวนาไปนอนก็หลับได้นะอถ้ามันถ้ามันบีบบังคับแล้วอย่างนั้นเราต้องลงเดินแต่ เมื่อคืนนี้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรอ่อนเปียกหมดเลยนะเมื่อคืนนี้เพราะอะไรก็ไม่ทราบพอทุ่มกว่าเท่านั้นนะขึ้นไปนี่ไม่มองอะไรเลยล้มนอนเลยจนกระทั่งสว่างไม่ลูกไปไหนเลยนะเมื่อคืนนี้จุดไฟไว้ไหมเมื่อเช้าจุดไฟไว้อย่างนั้นเนระไม่ออกมาดูสิจุดไฟทิ้งไว้อย่างนั้นเลยธรรมดาผมจุดไฟไว้นั่น่ะกลาคืนพวมาเดิ น, นเดิ น, นจุดไฟไว้ เมื่อคืนไม่ออกเลยจนจุดไฟไลืมจุดไปนะก็อย่างนั้นแหละไม่ออกมาเลยนะก็อย่างนั้นแหละมีคืนเดียวในเมื่อคืนเนี่ยผมยึงได้โถนี่เป็นประวัติการของเราอันหนึ่งวันกัน น, นี่ยธาตุพันธุ์บีบงังครับไม่อยากลุกจยากเดินไปไหนเลยนอนแน่วเหมือนขอนสูงพิจารณาดังธาตุดังพันอย่างนั้นพออยู่โจงกระทั่งสว่างแล้วมันยังไม่อยากลุกนะเอาหมู่เพื่อนไปก อ, ขอแดแฉกแฉกข้างนอกมันก็ฟังอยู่งัทุกวันก็ฟังมือเช้าเนี่ย มันก็ฟังก็กอแต่แก่มันยังไม่อยากกระดุกกระดิบนะ่ะนั่นเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ลงไปเดินยโยกรมโซซัดโซเซน่นมือเช่าเนี่ไปเดินโมนึว่าได้30มนาทีกันมัง้งนั่นนะ่ะมันยังไม่อยูกำลังนะั่นน่ะเดินไปโซซัดโซเซอา้าวมือเช้ามาเดินก็ทำไมเป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาไม่เลยเรื่องเลยทั้งขึ้นไปอยูออกจากนั่นกับคลองผ้าก็ลงไปนู่นแนหะแน่ไปอย่างนั้นนะถึงขนาดนั้นแหละตอนเช้าไปเดินยโยกรมแทนที่จะ ค่อยแข oh! ็งแรงขึ้นกับซอกแซกซอกแซกอ่ะเอเริ่มอหน่อยดีแล้วมันอ่อนไปอย่างนี้ลทาดขันมันจะไว้ใจมันได้ยังไงมันอ่อนไปยงอ่เอา้าผมไหนสัอะยสบัสบงเดี๋ยวออเาออันนี้ เเอดี๋ยวผมมาไปก็นไรครองป้ายผมเอ า, อากาบซะก่อนนะออ้ยกาบกันยากทวันี่นะเป็นอะไรอย่างนี้ละ่ะว้นี้ลแลดนะูเ อ, อานะจะจะลุกขึ้นกามือมันก็จะลุกมันขึ้นมันหนักหมดร่างกายก็ไม่ได้ใหญ่โต น, นะกําลังไม่มีมันยกมันขึ้นโอ้เอาเอากราบ ผ ม, ม, มบบรร ก, กับ้ามคตัวเองนอือเพราะฉนั้ราบอขอะก็จะกล่าวก่เป็ผู้วาจายนะเอาเพื่อนาพน่